เพียงแต่รู้ส่วนวัตถุเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแตกดับไปเป็นธรรมดาตามรูปธรรมนามธรรมาเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้เนี่ยมีอยู่ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มี แต่เรายังไม่ได้ศึกษาเข้าใจให้ถูกตอ้องเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวเพราะผู้รู้มันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเราไปยึดตรงนั้นรักษาตรงนั้นไว้ให้ดีสิ่งไหนจะเปลี่ยนแปลงอันนั้นไม่เปลีป่ยนแปลง เราอธิบายย่อๆดูผู้รู้เร็วสาวผู้รู้ให้ได้มันอยู่ที่ฝึกอยู่ที่จิตใจของเรามันฝึกได้คนเดามันฝึดได้เฉพาะมักผลมันอยู่กับคนดามันเริ่ดาไม่ได้อยู่กับพวกอื่นไม่อยู่กับพวกอื่น ึกไปฝึกไ ป, ไปนี่ไปมันก็ค่อยเข้าใจค่อยซึ้งไปตามระดับระดับค่อยรู้ค่อยเจาะลงไปค่อยทิชชู่นาลงไปยืนเดินนั่งนอนพิชชู่นาสังเกตนักภาวนาเป็นหนักสังเกต ด, ดูใจเพราใจเป็นของละเอียดใจรู้ได้โดยการสังเกต ด, ดูตรงกันข้ามใจดีเป็นอย่างไรใจไม่ดีเป็นอย่างไรอารมณ์ ไม่มีเป็นไงสังเกตยู่ด้มันมาได้อย่างไรมาอ่านใจของเราภาวนาเพื่อมาอ่านใจของเราจะได้รู้นิสัยของเราสมมติว่าจิตแนานอนชอบคิดเรื่องไม่ดีเรื่องอกุศลนี้เราก็ตั้งรู้ตัวเองอ ต้องพยายามแก่นะเอา น, นิสัยโก้สรรมคือนิสัยฉลาดมาแก้เพราะในเรื่องไม่ดีนั้นไม่ได้ทําจิตให้ฉลา ด, ดไม่ได้ทําจิตให้มันยิ่งไม่ได้รู้สิ่งที่ดีไปกว่านั้นอีกมันไปรู้แต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีกว่านั้นมันไม่รู้มันมุ่งมุนอยู่ในสิ่งที่ตัำที่เหลว ต้องรู้ตัวอย่างนั้นต้องเตือนตัวเองเนี่มันหมกมนุนมันไม่กล้าหน้าไปหาที่สูงกว่านี้มันชอบไปคลุกคลีกับสิ่งที่ไม่ดีไปเจ็บแต่สิ่งที่ไม่ดีมาคิดมานึกสิ่งที่ดีกว่านี้นี่มากไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ทำไมไม่คิดทำไมไม่ศึกษาทำไมไม่เพ่งพิดให้ดูสติก็มีอยู่ อความรู้ตัวก็มีอยู่จิตก็มีอยู่กายก็มีอยู่เวทนาก็มีอยู่จิตก็มีอยู่ธรรมก็มีอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าให้กวรเจริญทําไมเราไม่เจริญทำไมไมไปคิดแต่เรื่องไม่ให้เกิดความรู้ยิ่งเกิดปัญญาเกิดไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ชอบไม่เป็นไปเพื่อความ พ้นทุกเพื่อความดับกิเลสพระพุทธเจ้ามาคิดอย่างนี้เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งสติคอนเจริญไม่เจริญให้มากแล้วเป็นไปรู้ยิง่งเรียกอภิญญาเป็นไปเพื่ออภิญญาเป็นไปเพื่อความบรรลุธรรมเป็นไปเพื่อสงบระงับดับจากกิเลส การเจริญสติสติเจริญอะไรเจริญกายเจริญเวทนาทเจริญจิติทำให้อยู่ในโซ่ของเราเพรา้อมเราได้ที่สงบสงัดได้ที่วีเวทแล้วเหมาะสมในการปฏิบัติเจริญในสิ่งเหล่านี้เหมาะสมที่จะผู้ที่ต้องการความสงบความสุขในทางธรรม เหมาะสมที่บุคคลจะต้องการรู้จะทำเห็นทำไม่ใช่เหมาะสมที่ในการคิดไปในเรื่องที่ไม่ใช่ทำเป็นในเรื่องจะเป็นอกศุศลถ้าเราไปคิดเรื่องอกศุศลไม่เ้าะไม่ดูในที่สงบสนัต ด, ดูที่ไหนก็ได้แต่ที่สงบสนัตอย่างนี้แหละมันเหมาะสมกับ การปฏิบัติทำแบบพระพุทธเจา้าพระองค์เลือกก็ตามที่อยู่เพื่อประพยชนธรรมไม่ใช่เพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อรับเพื่อนอนการภาวนาก็คือการสอดสองจิตใจดัดแปลงแก้ไขจิตใจที่ มีนิสัยชอบคิดนึกน้อมไปในทางอากุศลให้มันกลับมาน้อมคิดนึกในทางกุศลในทางทำให้จิตฉลาดสร้างนิสัยโกศลเกิดขึ้นในจิตในใจละอกุศลออกจากจิตจากใจแก้ไขจิตใจให้มันพ้นจากภวะอันสิ้นที่ไม่สะอาดสิ่งที่ไม่ดี ทั้งมีอยู่ในตนทั้งมีอยู่ในคนอื่นเห็นคนอื่นทำไม่ดีตาเห็นหูได้ยินกันเราก็ต้องรัด้วยนะถ้ารับไปเอามาก็เป็นของเราอีกจิตใจของเราก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีอีกนะเราต้องตัดต้องรัเราทำความดีแต่ไม่ละความชั่วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่พ้นจากความชั่ว เพราะเราไม่ละมันก็ติดตามไปเรายังยึดถือมันอยู่เราไม่ได้แก้ไขมันก็ติดตามไปที่ไหนมันกษษต็ตามไปมันมันไม่ได้อยู่ที่อืน่นพระพุทธเจ้าก็สอนให้ละแล้วให้ทำความดีทิ้นความกว้างนะคาว่าความชั่วความดี จนถึงหมักผลวิเศษเนี่ยนะเรียกว่าความดีถึงที่สุดความชั่วก็ตั้งแต่กายมันทําตั้งแต่วาจาพูดตั้งแต่ความที่ใจคิดนึกเนยความชั่วเมื่อใช่นี่แต่จะเพาะไปตีเขาไปด่าเขาแม้แต่ใจนึกไม่ดีก็เป็นความชั่วเป็นอกุศลเพราะจาก พูดจะทำก็ต้องใจมันนึกขึ้นก่อนเส ไ, ไปทิ่ใจก่อนนี่ที่ใจก่อนจึงว่าสําเร็จมาจากใจกับภาวนาก็ให้รู้ใจของเราตรงนี้หรอใครไม่มีใครอื่นที่จะรู้ใจเรานะ่ยยิ่งกว่าเราเราเป็นคนทิพยใครจะไปรู้เขาก็รู้ของเขาเราเป็นคนทําเราก็ต้องคนเป็นคนรู้เราคนทิพเราก็ต้องเป็นคนรู้ คิดดีหรือไม่ดีเ้าก็ต้องเป็นคนรู้ตัวของเรารู้ความคิดของเราเรียกอเอาภาวนาถ้าไมคิดไม่ดูอย่างนี้จะไปดูที่ไหนมันจะสงบได้อย่างไรถ้าไม่รู้สิ้งเหลนี้หละถ้าไม่ชำนาญในสิ่งเห่านีน้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่ น, นี้ต้งดูให้ชำนาญต้เข้าใจชำนาญในการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกชำนาญในการสร้างสิ่ง สินที่ดีมาในจิตใจของเราขึ้นมาเรียกว่าชั่งละอย่าไปสนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าก็งจัดไว้แล้วอย่าไปเชื่อใจเราว่ามันดีเราตรวจอีกทีหนึ่งแต่ใจเราคิดแบบนี้แหละมันดีต้องตรวจ ด, ดูเอาท ร, ร ม, มาเป็นเครื่องตัดสินสิน่งเหล่พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรคิดอย่างนี้ มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันได้อะไรเกิดได้ความดีอะไรเกิดขึ้นหรือผมจะมีจะให้เลวลงมีจะให้จมลงความดีนั้นยึดความไม่เบียดเบียนตนบุคคลผู้อื่นยึดความสงบเป็นหลักไม่มีเวรไม่มีภยัยตามมาภายหลัง ใครก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนใครก็ไม่เสียหายเราก็ไม่เสียหายมีสเสถียรภาพทางจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดอยู่นักภายในีนเรียกภพนา ามันนั่งโดยจิตใจของเราให้เกิดความรู้ตัวความรู้นี่ล่ะพาให้เราทุกทุกข์ความหลงไม่รู้ปล่อยจิตเดินเดอร์มัวมองประมาทในพาให้เราไม่ฉลาดพาให้เราไม่รู้พาให้เราออกจากทุกข์ไม่ได้วกเวียนวกวนเวียนอยู่ในทุกข์แล้วทุกข์เรา ถูกแล้วถูกเล่าไม่มีเส้นเส้นตรงไม่มีเบื้องส่วนเบื้องปลายเหมือนกับโลกแผ่นดินหนึ่งไม่มีเบื้องตนเบื้องปลายไม่มีเบื้องล่างเบื้องบนเราไม่รู้ว่าข้างไหนเบื้องบนเืองลา โลกมันหมุนถึงขนาดนี้เราไม่รู้ว่าเบื้องบนเบืองล่างอยู่ตรงไหนเห mm. มือนกับเราอยู่แต่เอาหัวเชี้อมบนทางนั้นแ่ะโลกหมุนไปเจะไห น, นก็เหมือนกับเราพือว่าอยู่ข้างบนทางนั้นแะก็ไม่มีเครื่องหมายนี่นึ่แก็ต้องการว่าเราอยู่แต่ข้านแท้จริงเนี่ยแล้มันหมุนไปแล้วเพว่าเรายังข้างล่างก็ได้เพราะเราขึ้นบนก็ได้ธรรมดามันของลมมันหมุน แต่ น, นี่มไม่มีเครื่องกําเนดอะไรให้ข้างล่างข้างบนท้นเป็นว่างไปหมดเม่เได้เอาใหม่โลกพอโลกมันติดติดโลกมันดู่ติดอยู่ในโลกแล้วไม่รู้จักเบื้องบนเบื้องล่างอะไรเบื้องบนอะไรเบื้องล่างไปเทไหนมันก็นโลกมันดู่ติดอยู่นี่แหละ กิเลสวัตตะมันดึงก็เหมือนกันกับโลกนี่แหละไม่มี บ, บนบนเบนด่างติดอยู่ในกิเลสเาวิชาอยู่นั่นอ่ะเอาหัวลงข้างล้างก็ไม่รู้เอาหัวขึ้นข้างบนก็ไม่รู้ล่ละเพราะมือนไม่มีสิ่งที่จะกาหนดรู้ได้เพราะไม่รู้นี่เองจึงไม่มีทางออก ถ้าเราต้องการรู้เหมือนกับทุกอย่างนี้เมื่เราต้องการรู้เราก็ควรยินดีพอใจในการที่เวลามันเกิดขึ้นแล้วสนใจดูจ น, นเกิดความรู้จริงขึ้นมาเข้าใจทุกถูกต้องตามความเป็นจริงขึ้นมาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นจริงขึ้นมาสัตว์ปว่ากรองเวทนาขึ้นมาเนี่ย ถ้าเราไม่จ็หลบหลี่เก็จะนี่เอาแต่อันอื่นมาเล่นแทนมานี่แทนงานอันนี้เราก็ไม่ได้ทำทุกเกิดขึ้นตรงไหนแล้วกาหนดทุกตรงนั้นเราก็พยายามวางตรงนั้นดับตรงนั้น จะดับกะดับตรงนั่นจะวางก็วางตรงนั่นจะพ้นก็พ้นตรงนั่นไม่ได้พ้นที่อื่นพิจารณาก็พิจารณาตรงนั่นทาลายให้สุดสลายไปก็สลายตรงนั่นเหมือนกับเราหมอในแพทย์ผู้ฉลาดคน้นพบโรคตรงไหนความจะหายจะโรคก็อยู่ตรงนั้นแหละ ต้งรักษาตรงนั้นเน่ยต้องดูตรงนั้นตรวจตรงนั้นกาหนดตรงนั้นเ น, น่ยถึงแม้ว่าจะต้องกินยาไปั้งอื่นฉีดยาไปทางอื่นแบบนัน่งประทามแต่เราก็ต้องเพื่อจุดนั้นนะ่เวลาโรคมันหายตรงนั้นเน่ยมันหายไม่ใช่เชือื่นหายเนจะ็บปวดมันดับหายไปแต่ตรงนั้นน่ยมันดับ ไม่ใช่ไปดับที่อื่นเป็นโรคอยู่ตรงนี้ไปแก้ที่อื่นไปใส่ยาที่อื่นไปดูที่อื่นใหอันนี้มันดับอยู่มันก็ไม่ถูกอาจานั่นพระองค์จีงในอริยาศรราสตร์ทุกคนกาหนดรู้นะพระองค์ก็บอกตรงๆอย่างนี้แหละแต่เราไม่อยากรู้อยากให้มันหายเมื่อเอาอยากไปใส่แล้วมันก็เป็นปันหา บำรุงสรนหาให้มีกำลังเลยท่ไม่ใช่มันหายเพราะความอยากคนมีความอยากทุกคนถ้ามันหายได้แต่วความอยากยมันทนทุกข์ไปนานนวมันทนด้วยสติและลึก พ้นด้วยสมาธิจั่งมันพ้นด้วยความเพียรพ้นด้วยปัญญาญาณทัศนะเครื่องรู้เห็นโดยการปฏิบัติธรรมใสมบูรณ์ไปด้วยคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ที่พระองค์ได้ใช้มาแล้วเครื่องมือนี่ยาขนาดนี้แก่โรค มะเร็งได้อย่างฉมัดเลยยาชุดนี่พระองค์คนพบแก่โรคมะเร็งซึ่งโงรครักษาไม่ได้พระองค์รักษาได้โรคมะเร็งทางจิตใจทำไมจิตของเราจึงสงบยากไม่ค่อยจะสงบ ปกติของจิตแล้วต้องคิดอารมณ์นึกอารมณ์มีอารมณ์ประจําจิตอยู่เสมอเราจะให้จิตนั้นไม่คิดอะไรไม่มีอะไรเสียเลยเป็นการยากไม่ใช่ง่ายเหมือนกับลมจะไม่ให้มันพัดไปไหนเขาก็ไม่เรียกว่าลมทํามันนิ่งอยู่เฉยๆเขาว่าอากาศ ลัมมันต้องพัดไปมาจิตมันก็เจ้าคิดอารมณ์อยู่ด้วยอารมณ์แต่ผู้ฉลาดให้จิตของเราคิดไปในสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยให้จิตไปยึดสิ่งที่มีประโยชน์เราต้องการความสงบ เราไปยึดในธรรมที่ให้เกิดความสงบให้อยู่ในธรรมที่เกิดความสงบเราต้องการความสุขเราก็ไปยึดในธรรมที่จะให้เกิดความสุขถ้าเราไปยึดในธรรมที่ไม่เกิดความสงบแล้วจิตก็ไม่สงบมีแต่คิดปรุงคิดแต่งไปที่อื่น เพราะฉะนั้นจิ ต, ตองมีที่ยึดมีที่พึ่งแต่จิตนี่มันคิดนึกโดยคล่องตัวจะเพลิเมื่มอไหร่แล้วไปอย่างไม่มีกลงวันกลางคืนจิตถ้าไม่คิดไม่นึกแล้วมันก็ใช้การใช้งานไม่ได้มันก็เป็นเหมือนกับ ธาตุดินมันไม่ได้คิดมันก็เป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีปัญญาถาดน้ำมันก็ไม่คิดมันก็เป็นถาดน้ำอยู่อย่างนั้นมันไม่มีปัญญาอะไรธาตุมมันก็ไม่คิดมันก็ไม่มีปัญญาธาตุไฟก็ไม่มีปัญญาจิตที่มีปัญญาจิตที่อบรมได้ มันคิดนึกอารมณ์การคิด